ระชาถามที่อาจารย์เคยบอกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้ามันเกิดขึ้นในชวนะเจ็ดเจ็ดครั้ ง, งแล้วก็พระพุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ก็งงมากเลยครับเพราว่าวิถีจิตที่มันจะเกิดขึ้นในชวนะวิถีเจ็ครั้งเนี่ยเราจะประโยชน์ยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นเจ็ครั้งเนี่ยผมเข้าใจเองหมายถึงคิดซ้ำๆย้ำอยู่เจ็ดครั้งนะครับ<อ>ไม่ได้เอาขนาดจิตนะคือหมายความว่าวิถีจิตเนี่ยนะเกิด เจดวิธีแบบนั้นเหอะน่ะอันนี้ความเข้าใจของผมหมายถึงว่าเกิดเจ็ดวิถีเพราะวิถีหนึ่งมันต้องเกิดซ้ำเจ็ดวงอยู่แล้วก็คือเกิดประมาณเจ็ดวิถีย้ําสักเจ็ดครั้งขนาด น, นั้นนะอ่าสํำนวนนะผมยกามาเหมือนกับเราตอกตะปูไปในไม้บางไม้เนี่ยนะครับตอกตะปูโดยที่ไม่เหลือหัวไว้เลยนะเมื่อตอกไปเนี่ยมันจมมิดไปแล้วก็ไม่รู้จะถอนตรงไหนถึงคนมีคอนก็ถอนไม่ได้เนี่ยนะเนี่นะถ้าคอนก็ต้องตัดเนื้อไม้ตรงนั้นออกทิ้งใะนะครับ ย, ย้ำเจ็ดครั้งเนี่ยนะครับก็จมมิตแล้วทีทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดความคิดแค่เจดครั้งเนี่ยนะก็แก้ไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับปักใจแล้วว่ากรรมไม่มีผลยังไงนะบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเนี่ยเพราะมันดิ่งอย่างนั้นแล้วพ่อแม่ก็ฆ่าได้หมดแล้วครับไม่เชื่อหรอกครับดีไม่ดีมาว่านรกเปรตเป็นต้นมีมันทีโอ้หลอกลวงทั้งนั้นแหละมายามันคิดเป็นอื่นไปหมด ถ้าทิฏฐิบางอย่างมันเกิดนะครับโทสะเป็นต้นเนี่ยเกิดเป็นปัจจัยแห่งทิฏฐิเนี่ยนะเหมือนกับกับโกกาลิกะพิขู่นะครับตุที่พรมนะซึ่งเป็นอุปชาลงมาจากพรมโลกมาห้ามเลยโอ้ยยังจิตให้เลื่อมใสในภาษาริบุตรเป็นต้นเธอทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้ขนาดพรมลงมาเลยนะครับถ้ามันหนักขนาดนั้นแล้วก็มมีใครแก้ได้ทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าหากว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแก้ได้นะ พระพุทธเจ้าน่าจะเข้าไปหาอาจารย์สันชัยเข้าไปหาอาจารย์นิครนหน้าตบทเข้าไปหาปุรณะกัสปามคคิิโคสารในไปเทศให้พวกนั้นซะเดรัทธีก็จะหมดไปจากโลกไม่ยากนักแต่ทําไมไม่แสดงเลยวัดก็เชตาวันกับสำนักเดรัทธีก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ไม่เคยเจอกันเลยนะครับาศาสดาสองท่านนี้ไม่เคยเจอกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าอุปนิสัยมันไม่มีมิจฉาทิฐิมันดิ่งลงอะ่ะเป็นคนเฝ้าวัตตะอย่างนี้นะครับ ะเป็นต้นต่อของวัฏฏะเป็นค่าๆแบบสำนวนเรว่าผีเฝ้าทรัพย์อะนะมาจะให้ทรัพย์เขาให้ทานได้ยังไงเขาจะเป็นผีเฝ้าทรัพย์อย่างเงี้ยนะเอโอกาสครับในนี้ น, ะออ น, น, นี่ถ้าหากว่าเรามาคิดเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรียว่าศึกษาตามคําของภาษาศาสนาเนี่ยถ้าคิดเจ็ดครั้งเรามันจะดิ่งไปทางสมาธิตลอดไหมแต่ถอนขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องครับวิธีเดียวพอครับโซดาปฏิมาเกิดวิธีเดียวก็ดิ่งตลอดไม่มีใครเปลี่ยนได้ นะครับ <Hey. S 1> โสดาปฏิมักเกิดวิถีเดียวนะครับมารพรมทั้งหลายแหล่ไม่สามารถเปลี่ยนใจท่านให้ให้เป็นอื่นจากพระาศาสนาได้เด็ดขาดมควิถีเกิดวิถีเดียวถ้ามควิถีเกิดสีครั้งท่านเป็นพผ้ารหันแน่นอนเลยครับนี้มั่นคงจริงๆเลยเอาอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ยกไปสูงจนจนถึงขั้นโซดาปฏิมัคก็แสดงว่าที่ที่คําว่ามิจฉาวิฏฐิที่เกิดขึ้นเจครั้งเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ คิดคิดกันธรรมดาที่ทั่วไปที่ชาวบ้านชาวบ้านก็พูดกันอย่างนี้ไม่ใช่ไหมบางคนก็ดิ่งจริงๆในระดับไหนมันที่ว่าดิ่งจริงๆจนไม่สามารถคุยกันได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับสําหรับเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยนะมันคุยกันไม่ได้แล้วนะสํานวนเห็นพระก็มันไส้แล้วคนประเภทเนี่ยนะเห็นพระพุทธรูปก็ตัดหัวไปขายได้สบายๆลักษณะเนี่ยนะเผาคัมภีร์ได้สบายๆมันไม่มีทุกข์มีโทษไร้ข้าพระสงฆ์องค์นี้อะไรได้หมดอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันสามารถทําได้ลักษณะนั้นนะ คนประเภทเนี้คือจิตใจเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นนเหมือนที่เขาบอกว่าในบางยุคบางสมัยที่เขาฆ่าพระที่ประเทศอินเดียครับที่โรงเรียนนารันทาเลยครก็ในงไงพูดถึงพูดถึงว่าทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิดิ่งไปขนาดถ้ามีมิจฉาทิฏฐิดิ่งจริงๆก็ยากที่จะแก้ไขนะครับขนาดบางคนก็ไม่ได้ดิ่งขนาดนั้นยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ ก, ก็ไม่ได้โปรดใช่ไหมขนาดถ้างั้นนะครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็าชวนแตกชั้นพระทัยบิดกกันหมดนะครับแต่ไม่ได้งคนก็ปฏิเสธขนาดเข้ามาบวชก็พอเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้อันนี้อะไรมันมีหลายขั้นมากนะครับมีหลายขั้นมากบุญบาปถามประชาชคนทั่วๆไปเชื่อไห ม, อมพอเชื่อไหมพอเชื่อนะอย่างยกตัวอย่างชาวบ้านทั่วๆไปพอเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่เขาไม่ได้เชื่อมากมายอะไร ถ้าเขาเชื่อจริงๆเขาไม่กล้ากินเหล้าหรือฆ่าศักดิ์ในงานบุญนั้นๆหรอครับแต่ น, นี้ก็เชื่อเป็นพักๆอ่ะนะเหมือนดีเป็นพักไข่เป็นพักอะไรแบบนี้ทั่วๆไปอ่ะนะทำให้ผมนึกถึงพิ่โส่รูปหนึ่งแถวๆภาคเหนือเนี่ยนะครับที่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าปราชิกไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เป็นเจ้าวาดมาตั้งหลายปีแล้วรู้สึกว่าตําแหน่งเดี๋ยวก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆไงครับ mm hmm. แต่ว่าวันดีคืนดีก็มาเทศเรื่องกำเรื่อ ง, อ, งอันนูน้นเรื่องนี้อะไรให้ฟังอยากยมฟังอยู่เนี่ย ก็คือมันก็เป็นการพูดเพื่อรักษาสถานะเหมือนกันนะครับคือบางอย่างถ้าเราอ่านในมิลินทปัญหาหรือที่อื่นๆก็ว่าอารัชชีบุคคลบางคนก็กล่าวเป็นธรรมนะครับก็พูดเป็นธรรมแต่ตัวเองก็ไม่ได้ประพฤติธรรมอะไรก็ไม่ไ ม, ไม่แปลกใจเพราะว่าสมัยพุทธกาลก็มีพระอุปนน์เนี่ยนะครับไปที่ไหนเทศแต่เรื่องมักน้อยสันโดษเนี่ยนะครับแต่แกนี่มีเกวียนนะครับมีเกวียนร้อยน้อยบรรทุกผ้าเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ อยู่ในวัดเนี่ยนะผ้าห้าหกสิบเนี่ยแกเทศให้ถือบางสกุลหมดอ่ะนะ<ม>ไอ้ผ้าดีๆเกินๆเนี่ยนะถ้าเสร็จท่านหมดอ่ะ<ใ> ช, ชาวบ้านมาทําบุญเนี่ยมักน้อยสันโดษหมดพเท่าพนนเนี่ยใส่รถบรรทุกคนกลับมา ค, คือก็ <c oughs> นั่นสมัยนั้นนะครับถ้ามีโอกาสใครจะรู้ได้นะครับท่านคนที่ไม่ได้ทําชั่วเนื่องอาจจะบางอย่างปัจจัยอาจจะไม่มีนะครับยังไม่ได้ปัจจัยบางอย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้พอได้ปัจจัยก็อย่างว่า ทีนี้ อ, อวิชานะครับมันปกปิดไม่รู้อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษแต่ก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับสาต์ทั้งหลาย เ, เพราะว่ า, แ ต, า, าแต่ถ้าเราไปนึกด้วยโทสะก็เป็นบาปนะครับแต่ให้ให้สลดสังเวชใจยอย่าลืมว่ายุคนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่ใช่มาพิทักษศาสนาแน่นอน เรามาแสวงหาบุญจากพระศาสนาส่วนใดที่จะพอบุญนะครับโดยที่เราไม่ไปแปดเบื้อนด้วยบาปนะก็ทำเนะครับแต่ถ้าคิดแหมจะทําตัวชํ่ราพระศาสนาเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านน่าจะใกล้ป่วยแล้วนะครับนะครับน่าจะใกล้ป่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาเตรียมหาหมอไว้ได้นะครับโรงพยาบาลไหนที่ดีๆหน่อยก็เตรียมคิดไว้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะป่วยหนักนะครับเป็นโรคประสาทกินตายเลยนะครับถ้าท่านคิดจะพิทักษ์ศาสนานะครับ พิทักให้นะครับลองพิทักษตัวเองไม่ให้จิตเป็นบาปดูนะครับถ้าเก่งจริงๆนะนะลองคิดโทรศัพท์ปั๊บเนี่ยคมได้ทันทีเลยนยะเบรกเย็บเลยนะบอกว่าถ้าเบรกขนาดนั้นไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นาถามว่าสิ่งที่เป็นบาปเหล่านั้นที่เขาทำเนี่ยถามว่ามีผลไหมมีให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะครับ ทีนีเ้เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในวินยัยเขาบอกว่าเวลาจะจัดการอะไรก็ต้องมีพวกก่อนมีฝักมีฝ่ายก่อนจึงจัดทาได้นะครับแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาชําระตัวเองเหมือนกันให้บริบูรณ์ว่าเราเนี่ยดีจริงขนาดนั้นไหมล่ะพราหากว่าถ้ายิ่งแก้ไปแล้วปัญหามันลุกลามใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะครับก็กกท<ำ>ําก็ช่วยอะไรไม่ได้เอางี้นะวิธีบางวิธีพระองค์แสดงให้เห็นนะครับคือบางวิธีเนี่ยนะครับพระองค์หนีเองคิดดูนะ นะก็วิธีการอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันถ้าอ่านหนังสือจีนนะก็บอกว่าในกลยุทธ์36กลยุทธน์นะครับเดินคือวิธีดีที่สุดเขวาว่ากันคือหมายเขาว่ารู้จักจากซะบ้างนะครับจะรู้จักตัดอะไรซะบ้างถ้าสำนวนเราก็บอกอุเบขาบารมีนี่เป็นสุดยอดของบารมีเมื่อดูว่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องก็ต้องมารักษาใจเราแล้วนะครับนะ อย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะครับคนบางคนแค่เอ่ยชื่อเราเนี่ยเขาก็กระอักกระอ่วนแล้วนะครับไม่ต้องมาไปให้เห็นหน้าเขามานั่งฟังเราชี้แจงอะไรหรอกครับมันอย่าอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนมีบุญมาพิทักษศาสนาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นเลยให้คิดว่าข้าพระเจ้าจะได้เสื่อมจากพระศ า, าสนาเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยแค่นี้ผมพอใจแล้วพงบัมเพนบารมีเสียสงไข่แสนกลับมาเนี่ยให้ผมได้ได้ไดรับมรดกอันนั้นบ้างนะครับให้ได้รับมรดกอันนั้นบ้างแต่ถ้าไปคิดถึงคนอื่นนะครับเอางี้นะ ญาติญาติผมจริงๆผมยังช่วยให้เขามีศินไม่ได้เลยนะครับศินห้านี่ไม่ต้องไปสินอะไรสูงส่งอะไรมากมายนะครับสินห้าผมยังช่วยเขาไม่ได้เลยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับผมเองก็ห้ามากุศลวิตตกให้มันได้เท่า น, นี้ก็วิเศษแล้วนะครับอันนี้ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปคิดนอกตัวให้มากนะักนะครับคิดแล้วเดี๋ยวป่วยแบบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านว่านะ หลวงพ่อรูปหนึ่งก็บอกว่าหลวงพ่อนี่เงินในวัดมันเข้าวัดมันรั่วมันยังยงี้เนี่ยนะหลวงพ่อจะทํำยังไงบอกกูคิดเรื่องนี้กูก็ป่วยก็ว่างั้น <c oughs> ถ้ายุ่มยิ้ ม, ม, ม, ม, มเอามาคิดหมดก็ป่วยงงๆเลยนะครับโรคประสาทกินตาย <c oughs> ครับกูแต่กูคิดเรื่องนี้กูก็ป่วยนะครับ <c oughs> นี่ต่อไปนะครับ <c oughs> ว่าทีนี้ถามว่าเพราะเหตุไรานางจึงได้เป็นหญิงค่อม แต่ว่าเล่ากันว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นนางเนี่ยได้เป็นหญิงค่อมเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าสมัยในอดีตน่นนะตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ว่างจากพระาศาสนาเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นนางอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาราันสีเห็นพระประเจคพระพุทธเจ้าผู้เป็นราชกุลุปกะองค์หนึ่งหลังข่อมนิดหน่อยคือหลังท่านไม่ค่อยดีนะข่อมนิดหน่อยแต่ท่านก็เป็น พระที่พระราชาเลื่อมใสมันจะเข้านอกออกวังนี่เป็นประจำเมื่อกำลังจะทําการล้อเลียนต่อหน้าหญิงที่อยู่ด้วยกันกับตนะว่างๆนะเงาๆอยู่ในวงังก็างงาหาเรื่องแหย่กันเล่นนะก็เอาใครมาเป็นโจกดีเอาพระกนแล้วกันมาเป็นโจก น, นะก็ได้แสดงอาการหลังค่อมเป็นการสนุกสนานตามที่กล่าวเนี่ยนี่พระพร ะ, ะคุณเจ้าของเราค่อมแบบนี้เนี่ยเเดินอย่างเงี้ยนะครับเงี้ ย, น, ย น, นะนะไปเรียนแบบนั้นเองนะ ไปไปไปคําล้อเรียนเรียนเล่นนะ่ะนะเพราะเหตุนั้นนางจึงได้บังเกิดเป็นหญิงคอมครับอันนี้ต่อไปนะครับว่าไวความที่ไปล้อเรียนพระอริยะนั่นแหละครับเป็นเหตุให้คอมทีนี้ถามว่าก็นางเนี่ยทากรรมอะไรไว้จึงเกิดเป็นหญิงมีปัญญามากทําไมจึงฉลาดขนาดนั้นถึงแตกฉันถึงปฏิสัมพิธาตอบว่า เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นนางอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาานสีเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้า8องค์เปลี่ยนมืออุ้มบาตรที่เต็มไปด้วยข้าวปลายาตร้อนที่รับจากพระราชวังก็ได้ถวายว่าลายงา8อันกําลายงานะครับอันก็ถวายให้ท่านรองบาทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของตนพลางเรียนว่าขอพระคุณเจ้าโปรดวางบาตรไว้บนวัยนี้แล้วอุ้มบาตรเถิด ถ้าพระเจ้าพุทธเจ้าเหล่านั้นทําตามนั้นแล้วมองดูนางนางเรียนว่าว่าลัยเหล่านี้ดิฉันสละถวายแด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงถือไปเถิดถ้าประเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ไปยังเงื้อมเขานั้นถ้ามูลกะแม้จนวันนี้ว่าลัยเหล่านั้นก็ยังไม่ผูกกร่อนเลยนางเกิดเป็นหญิงมีปัญญา ม, มากเพราะผลแห่งกรรมอันนั้นทำนะมันมีโอกาสทํากุศลอย่างไรก็เรีทําำไปนะครับอย่าชักช้าเลยเดี๋ยวใจมันจะเป็นบาปไปหมดนะครับ <c oughs> ต่อมาสตรีห้าร้อยนางซึ่งมีพระนางสา ม, มาวดีเป็นประมุขได้กล่าวกับนางว่าคือเมื่อเมื่อได้ฟังธรรมปลุเป็นพระโสดาบันนะนะก็บอกว่าข้าแต่แม่ขอแม่จงไปสำนักของพระศาสดาทุกวันสดับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมาแสดงแก่เราบ้างนางได้ทำตามนั้นในเวลาต่อมาจึงกลายเป็นผู้ทรงจาพระไตรปิฎกแตกขาเลยนะคนหัวดีนี่เรียนแป๊บแปๆบแปได้หมดละ เพราะเหตุ น, นั้นพระศาสดาจึงตั้งนางไว้ในเอตะทะคฆะว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบรรดาอุบาสิกาส า, าวิกาของเราที่เป็นพหูสูตรคู่ชุตารานี้เป็นเลิศอุบาสิกาคู่ชุตาราผู้เป็นอริยสาวกได้บรรลุปฏิสัมพิทาอันพระศาสดาจงตั้งไว้ในเอตะทัะคะเพราะเป็นพหูสูตรเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีได้ไปยังสำนักของพระศาสดาตามกาละ อันสมควรได้ฟังธรรมะแลว้วกลับไปภายในราชสำนักเมื่อจะกล่าวธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามนิยามที่พระาศาสดาทรงแสดงแก่สตรีอริยสาวิกาห้าร้อยนางมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเมื่อจะเปลื้องตนประกาศความที่ธรรมะอันตนได้สดับในสำนักพระาศาสดาจึงยกนิทานคำเริ่มต้นขึ้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ ก็คำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วคือพระอาหารตรัสไว้แล้วดังพันานา ม, มาชะนี้เพ<ม>ราะฉะนั้นคนํานิทานเนี่ยผู้ตั้งคือพระพระนางคุชุตราอุบาสิกาครับเป็นคนตั้งที่บอกข้าพเจ้าได้สดับมาว่าเนี่ยนะคำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วคือพระอาหา์ได้ตรัสไว้แล้วดังพันานา ม, มาชะนี้นะครับเพราะฉะนั้นคํานิทานนี้ไม่ใช่พระนนตั้งนะครับ ก็เพราะเหตุที่นางคูชุตระานั้นได้ฟังมาเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระนครนั้นแลแล้วกล่าวแก่สตรีเหล่านั้นในวันนั้นด้วยฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะอ้างเวลาและสถานที่ไม่รู้จะอ้างไปทําไมเพิ่งไปฟังมาเมื่อกี้ก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันโอ้สมัยหนึ่งพระ อ, องค์ประทับอยู่ที่โนนาโคสิตารามอย่างเงี้ยแล้วมาเล่าก็เพิ่งไปฟังเมื่อเมื่อกี้เนี่ยนะก็เลยไม่รู้จะเล่าทําอะไรมางั้นะ เพราะว่ามาเล่าเป็นรายวันรายวันไปนะไปฟันนี้ไปฟังเทศอะไรมาก็กลับมาเทศที่วังเหมือนันเนี่ยก็อยู่อย่างนี้มาตลอ ด, ด, ลอดเพราะฉะนั้นจึงว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณอยู่ในกรุงโกสัมพีเหมือนกันเพราะเวลาและสถานที่ก็ปรากฏชัดอยู่แล้วในตอนนั้นก็เลยไม่รู้จะมาทําไ ม, มทีนี้ฝ่ายภิกษุณีทั้งหลายก็ได้เรียนเอาพระสูตรเหล่านี้จากสํานักนางคุชุตระานั้นเรียนธรรมะกับอุบาสิกา แม้ในหมู่ภิกษุนิทานคำเริ่มต้นที่นางคุชุตรานั้นยกขึ้นไว้ก็ปรากฏโดยสืบทอดกันมาอย่างนี้นะก็คือเอาแบบแบบนางคุชุตรานั่นแหละทีนี้ต่อมาท่านพระอ น, น์นั่งสังขยนณาพระธรรมอยู่ในถ้มกลางคณะพระเถระผู้เชี่ยวชาญมีพระมหากัะสปะเป็นประมุขในสัตธรรมมณดบ น, นะครับมณดที่สังขยาาสัตธรรมนะที่พระเจ้าอาชาตศัตรูทรงให้สร้างขึ้นที่ถ้ำสัตบัรณครูหา ภายหลังจากเวลาที่พระตถาคตเจ้าปรินิพานเมื่อจะหลีกเลี่ยงคือไม่ต้องการให้นิทานของสูตรเหล่านี้มีสองนิทานคือพระอนุลไม่ต้องยกซ้ําอีกครั้งเลยนะจึงยกเฉพาะนิทานที่นิยามที่นางคุชุตระานั้ น, นยกไว้แล้วแหละคือไม่ต้องมาพูดซ้ํากันอีกนะบอกว่าเ อ, อข้าพเจ้าแบบนั้นแบบนี้อีกไม่ต้องอก็นางคุชุตระาวางไว้ก็ดีแล้วเพราะนั่นก็ว่าตามนั้นไปเลยเหมือนกันเถอะ แต่ก็ในสมัยนั้นก็มีหลายๆลามาตินะแต่มติอื่นๆพระธรรมปาระก็บอกมันไม่มีประโยชน์เหมือนกันเอ่อตอนสังเกนาครั้งที่หนึ่งไม่ได้มีภิกษุณีนะครับ อ, อ๋อไม่มีแต่ว่าอย่าลืมว่าพระนนทเนี่ยนะเหตุการณ์ ใ, ใดๆท่านจะรู้หมดนะครับธรรมมาที่พระพุทธเจ้าเทศนะถึงจะเทศให้ใครฟังพระนนทก็รู้ด้วยหมดนะครับแล้วเหตุการณ์แบบนั้นแบบนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ท่านก็จะรู้หมดนะครับเป็นคนรู้เหตุการณ์ในสมัยนั้นเป็นอย่างดีนะครับ ตีอย่างหนึ่งพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายสังขยานาพระธรรมวินยัยไว้โดยนิยต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้อีกมติหนึ่งนะครับอีกนิยะหนึ่งอปรนายนะเนี่ยจริงอยู่พระมหาเถระผู้สังขยนาพระธรรมเป็นพระอนุพุทธคือผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพุทธานี่มีหลายอย่างอย่างที่เคยฟังคือหนึ่งสัมมาสัมพุทธะนะครับแบบสูงสุดยอดเลยคือตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองอย่างที่สองเาเรียกว่าปัจเจกผู้ทธาก็ตรัสรู้โดยชอบ ด้วยตัวเองแต่ว่าสอนผู้อื่นไม่ได้สก็สาวกพุทธะหรือที่เรียกว่าอนุพุทธะนะครับส่วนภาษาวลกนะเรียกว่าอนุพุทธะหรือสาวกพุทธะส่วนผู้ที่ศึกษาคําสอนเข้าใจก็เป็นสุตตพุทธะนะครับแต่ทีนี้ประสงค์เอาเฉพาะาสาวกพุทธะที่เป็นอสีติซะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพระมหาเถระเหล่านั้นรู้การสังขยนาพระธรรมวิในโดยชอบแท้ทีเดียว ทีนี้ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะแตกฉานในวิธีร้อยกลองธรรมวินัยมากจัดเรื่องจัดมวดหมูสงเคราะห์ธรรมวินัยเนี่ยท่านเก่งเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นในที่บางแห่งเนี่ยนะวิธีตั้งนิทานไว้ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางสูตรอาจจะตั้งว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังพควาบางแห่งท่านก็ตั้งนิทานว่าเตนะสมยเนะโขพรควาเวรัญชายังวิหรติเป็นต้นนะนะเหมือนกันในพระวินยัยหรือในบางแห่งก็ตั้งนิทานเป็นคาถาประพันธ์ แต่ในที่บางแห่งก็ไม่ตั้งคาถาไว้ทั้งหมดคาถาธรรมบทไม่ตั้งคาถาตั้งว่าไปยังไงมายังไงเลยใช่ไหมครับเฉพาะในคาถาธรรมบวเนี่ยนะฉั้นอัตขะถามาเรียบเรียงให้เห็นอีกครั้งท่านเหล่านั้นก็สังขยนาพระธรรมวิไนยัยโดยแยกเป็นวักสังคหะเป็นต้นใช่ไหมสองข้อเป็นวักเช่นศีละขันธวรคมหาวักปาติกวักเนี่ยนะมูลปัญธาตุมชิมปัญธาตนะัมาแบ่งเป็นวักย่อยวักเล็กวักน้อยอะไรเนี่ยท่านฉลาดในเรื่องร้อยกรองสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นบรรดาอาคตะสถานคือที่มาเหล่านั้นในที่นี้พระสังคีติกาจารย์ตั้งนิทานไว้โดยนายเป็นต้นว่าวุตตังหีตังนะครับคือพิเศษหน่อยนะเรื่องนี้แล้วสังขยาาพระธรรมวินัยพระพุทธวจานะนี้มีองค์เก้านะครับโดยแยกเป็นสุตตะเคยะวยากรณะคาถ า, าอุทานิติวุตกาชาตกาอปูตธรรมเวทละเนี่ยนะในองค์เก้านั้น เป็นต้นของพระพุทององค์ก็เป็นเหมือนกับพระพุทธวจนะมีองค์9ก้าสมจริงดังคําที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าก็พระพุทธวจนะมีองค์เก้าคือสุตะเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีน้อยอันนี้ก็คือข้อความในวินัยนั่นเองในเวรัญชกันนะครับที่ภาษาริบุตรไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทําไมพระพุทธเจ้ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าบางองค์อยู่นานบางองค์อยู่ไม่ไม่นานเนี่ยนะครับก็ไปถามก็เนื่องจากว่าของพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยนะ คำสอนที่ประกอบด้วยองค้ามีน้อยบางองค์ก็มีมากนะผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งพูดไว้ดีมากท่านบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหนังสือที่อัศจรรย์ที่สุดที่สุดเพราะว่ามีพระอาหันต์ห้ารอรูปเป็นบรรณาธิการครับผมก็ดีนะแต่ก็บรรณาธิการชุดแรกนะครับชุดที่สองก็เจ็ร้อยชุดที่สามก็พันหนึ่งนะครับ แล้วก็มีชุดที่สีรังกายก็มีไม่ใช่ชุดเดียวนะครับมีหลายชุดมากนะครับที่ช่วยกันเรียบเรียงมาเนี่ยนะครับบรรดาองค์เหล่านั้นนะครับองค์คืออิติวุตกะไม่ปรากฏนิทานอะไรอะไรอย่างอื่นเลยยกเว้นคําว่าวุตังเหตางนี่เป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์คือเครื่องหมายของคมภีอิติวุตกะนั้นนะครับด้วยเหตุนั้นพระธัคกาจารยนจึงกล่าวพระสูตรไว้หนึ่งร้อยสิบสองสูตรที่เป็นไปว่า วุตังเหตังพระขวตาจัดเป็นลักษณะของคำพีอิติวุตตะนั้นฉะนั้นพึงทราบว่าพระธรรมสังคหากาจารย์ทั้งหลายหรือแม้พระอริยสาวิกาคือพระพระอะไรนะคุชุตราอุบาสิกาเนี่ยนะครับผู้รู้ภาะประสงค์ของภาศาสดาจึงได้ตั้งนิทานไว้โดยนายนี้แหลเพื่อให้ทราบว่าพระสูตรเหล่านี้ จากเป็นองค์คืออิติพุต ก, กะเนี่ยนะครับจักเรียบเรียงตามพุทธประสงค์นั่นนะครับท่านก็ไม่ได้ทำเองเออเองรู้เองอะไรหรอกครับ